หลดบ่วงกรรมกรรมเป็นเรื่องละเอียดมันจะทำให้คนเกิดอย่างไรมีอาชีพอย่างไรอย่าดูถูกกันอย่าว่ากันเพราะมันทำกันมาด้วยความไม่รู้พอสวดมนต์ภาวนาละเอียดเข้ามากๆเราจะไม่แยกคนแยกสัตว์เระต่างมีชีวิตจิตใจเท่ากันอย่างหนูข้าพเจ้าก็เลี้ยงนะอกโมงคลุกข้าวให้เขากินถ้าไม่เลี้ยงเขาจะบุก เราให้เขากินเขาอิ่มแล้วเราบอกเขาว่าอยู่ที่นี่ให้เรียบร้อยที่ใครที่มันอย่ามารุกรานกันพูดถึงเรื่องกรรมส่งผลให้เรามีอาชีพยอย่างไรเนี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเกิดในครอบครัวคนฆ่าไก่เขาก็ทําอย่างอื่นไม่เป็นแต่และ ว, วันเชือดไก่ไม่ต่ำกว่าร้อยตัวลูกตานี้เหมือนไก่เป๊ะเลยต่อมาสดมนภาวนามาสร้างบุญทานเป็นลูกศิษย์ท่าน ตอนหลังก็เลยเปลี่ยนอาชีพจากค่าไก่ขายไก่มาเป็นขายผลไม้แทนเห็นไหมค่าขายเหมือนกันแต่เปลี่ยนไปเลยการสร้างบุญการภาวนาช่วยให้เจ้าของจิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในทุกรูปแบบถ้าใครเชื่อท่านทําตามที่ท่านสอนบุญกุศลพาให้ดีขึ้นก็เป็นความโชคดีของเขาเรื่องบุญและบาปเป็นเรื่องที่มนุษย์เราควรจะเรียนรู้ ฉะนั้นคนที่เคยทํำบาปถ้าอยากกลับตัวก็ให้สร้างบุญทำทานรักษาศีลให้เคร่งครัดแล้วก็ภาวนาอย่าให้ขาดหลวงตาท่านสอนว่าการภาวนานี่ทําได้ไม่ยากให้สวดมนต์ทำวัดเช้าทําวัดเย็นอย่างสม่ําเสมอการสวดมนต์ยาวจะทําให้จิตเจ้าของสงบเร็วขึ้นหลังจากนั้นก็ให้มีบทสั้นๆท่องไว้เช่นพุทโธธัมโมสังโฆ ที่เราจะใช้ตามสภาพอันนี้แล้วแต่ใครชอบอันไหนก็ได้แต่ต้องภาวนาอย่าให้ขาดถ้าขาดตอนนานๆกระแสธรรมะก็ไม่เชื่อมต้องเริ่มต้นใหม่ถ้าอยากอ่านหนังสือของหลวงตาแล้วท้อใจว่าหนังสือเล่มใหญ่ก็มีวิธีอ่านคือต้องดูก่อนว่าเราอยากจะรู้อะไรให้เลือกจากสารบัญเจอเรื่องไหนที่ชอบที่ตรงใจเราก็ให้อ่านเรื่องนั้นสักสิบรอบ อ่านไปอ่านไปแล้วจับใจความสำคัญว่าท่านสอนอะไรอย่างเนี้ยถึงจะมีประโยชน์อย่าให้ธรรมะผ่านแต่ตาต้องให้ผ่านเข้าสู่ใจให้ได้ด้วยข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์หลวงตามาเกือบ30ปีแล้วเวลาท่านเทศท่านบอกเสมอว่าท่านสอนธรรมะพระพุทธเจ้านะข้าพเจ้าเชื่อฟังท่านปฏิบัติตามท่านสอนสร้างบุญทานรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาไม่ให้ขาดสาย จนจิตเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นเรื่อยๆถึงวันนี้จึงสรุปได้เลยว่าธรรมะพระพุทธเจ้าคือชีวิตใครรู้ได้ปัจจุบันก็มีความสุขตายก็มีความสุขเกิดใหม่ก็มีความสุขบทความโดยอาจารย์ทัชนาพรเสนารักหรืออาจารย์นิ สิ่งอ่านโดยโจโฉ